พุทโธสุตโธกรุณามะหันโนมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกาโราดูดห่วงมาน้อมย่จันดาสุตตามภรญานโรจโนมพระองค์ไดมีตาคือญาณนันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปะโบปะกิเรสะคาตะโกม เป็นผู้กาเสียซึ่งบาประอุปาิเรศของโรควันดามีพุทธังอาหมาทะเรณตามังกาปเจ้าวายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟือ้อธรรมโมปฏิบววิยตาสัสสทุนวมพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปียบดวงพระทีพ โยมากาปากามมตะเพ ธ, ธพินนโกวจำแนกประเภทคือมากผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรยโยจตัดธาตะ ท, ทีปโนวซึ่งเป็นตัวโรกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโรกุตตระนั้นวันนามมธรรมะมังมตะเรนตัง กราบพระเจ้าวายพระธรรมนานโดยใจเขารบเพื่อเฟือ่อสังโฆสุขเหตาพยาดติเกตัสั ญ, ญโตธรมพระทรงเป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งหลายโยเดตสันโตสุขานุโพธโกมเป็นผู้เห็นพระนิพพานรัสรู้ตามพระสุคหมูได โลราปะหิโนอริโยสุเมดาโซเวณนผู้รากิเรเครื่องโรเรเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันดามิสังฆังอาหมาเรนามข้าพระเจ้าว่ายพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารเพื่อเฟื่อ อิเจวะเมกันตาพิภูชนยยกางวัดุตตะยังวันไดยตาภิสังคดังบุญยังไมยะยังมามาสาภุปปัทวามาโหนตุเวตาสะปภาวสิทธิยาบุญใดที่คาพรเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัดุสาม คือพระรัตนตรัยันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตถวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนานอิ ต, า ต, าาตัตทาคตโรเกอุปนโนม พระตาตาโคเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้าราหังสัมมาสัมพุทโทเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัรสรู้ชาบได้โดยพระองค์เองธรมโมจเทสิตโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากททโอปัสสามิโกปรินิพานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลนเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโธตาคามีสุขตาประเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พรอ้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันดังดัมังสุตตวาเอวังชนามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างมิว่า ชาติปีตุคาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกคาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มารณมปีทุกคาแม้ความตายะกะา็เป็นทุกข์สกัปริเทวะทุกัตโตมะนาสุปายาซาปีตุคา แม้ความโศกความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกราบแกนใจก็เป็นทวงปิเยหิสัมปโยโคทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทวงปิเยหิวิปโยโคทุโคความพราดาจากสิ่ง zeigt, เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทวง ยมปีชังนาราปฏิตามปีทุกข้างมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทวงสังกิเตนะปัญจุปาทานะันธาทุกขาว่าวโดยย่อปาทานขัน์ทั้งห้าเป็นตัวทวงไสยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาฏานคันโทขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาฏานคันโทขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาะสัญญุปาฏานคันโทขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สังคารูปาธานาคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาธานาคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูปธาตนขันเราเนี่ย คารมาโนโสุปกะวาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังภาวรสาวกเกวเนตียอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังภากาจปนัสสะภ า, ภ า, าวโตสาวะเกสุนุาสานิภะราปรวัตติมีหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจังรูปไม่เทียง เวทนาหนิจา่าเวทนาไม่เทียงสัญญาหนิจา่าสัญญาไม่เทียงสังขารานิจา่าสังขารไม่เทียงวิญญาณานิจังวิญญาณไม่เทียงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาณตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญานตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารณตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณานตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน สาเพสังคารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งพวงไม่เทียงสาเพ ธ, ธรรมานัตาตีทำทั้งหลายทั้งพวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตไม่ยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครับงำแล้วชาติยาโดยความเกิด ชรามารเนนาโดยความแก่และความตายโซเคฮิปริเทเวอิตุคเคฮิโทมนาเซอุปายาเซหิโดยความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความข้า ม, มแกนใจทั้งหลายทูกขอจินนะาเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว ทุกขะเปรตตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแลว้อวอะเปวนามิมาสะเกวราสะทุกขะคันดัสสารตากิริยาปัญญาเยาทานีทาชนายการดาที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ จิระปรินิพุตตมีตังพระกวันตังสรารนังคตาเราทั้งหลายพู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรารณาทำมันจะสังคันจาถึงพระธรรมด้วยถึงพระ